ในขณะที่คนเราจะสิ้นใจจะมีความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสหรือไม่และเมื่อตายไปแล้วความเจ็บป่วยจะยังมีอยู่หรือไม่การที่คนส่วนมากกลัวตายมีสาเหตุสำคัญอยู่สองสาอย่างคือ 1. เรารู้สึกว่าจะต้องจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักซึ่งในเมื่อนึกขึ้นมาแล้ว ทำให้ใจหายเพราะเป็นการจากอย่างชนิดที่ไม่มีวันจะได้พบกันอีกถ้าหากคนไหนมีบุคคลหรือสิ่งของที่ตนเองรักมากก็เกิดความกลัวและเกิดความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากเกิดความหวงอะไรอย่างมากแต่ถ้าหากคนไหนอยู่คนเดียวไม่มีบุคคลหรือสิ่งที่จะเป็นห่วงความกลัวในเรื่องนี้ก็มีน้อย 2. เพราะไม่ทราบว่าเมื่อตายแล้วจะเป็นอย่างไร วิญญาณจะสูญสิ้นไปเลยหรือว่าจะไปเกิดใหม่มีชีวิตขึ้นมาใหม่จะมีความสุขหรือความทุกข์อย่างไรจะมีความเป็นอยู่อย่างไรไม่อาจที่จะทราบได้และทำให้นึกหวดาดระแวงไปต่างๆเหมือนกับคนที่กลัวความมืดเพราะไม่ทราบว่าในความมืดนั้นจะมีอะไรบ้างแต่สำหรับบุคคลที่แน่ใจว่าตัวเองตายแล้วจะต้องเกิดอีกและแน่ใจว่าจะมีความสุขยิ่งกว่าเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เป็นคน สำหรับบุคคลที่มีความแน่ใจอย่างนี้ความกลัวตายจะมีน้อย3เพราะเข้าใจว่าในขณะที่จะตายจะต้องมีความเจ็บปวดอย่างทรมานที่สุดทั้งนี้แม้ว่าตนเองจะยังไม่เคยตายสำหรับในชาตินี้ก็ตามแต่ก็เคยสังเกตรหรือจำได้จากการที่ตนเองเคยป่วยหนักในบางครั้งและเห็นคนอื่นได้รับความทรมานจากการเจ็บป่วย จนกระทั่งตายเหตุการ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นภาพประทับใจและทำให้คิดอยู่เสมอว่าเวลาจะตายจริงๆคงจะทรมานอย่างนั้นและอีกอย่างเนื่องจากว่าคนที่ป่วยหนักถึงขั้นที่จะต้องตายและในที่สุดก็ตายไปนั้นไม่มีใครกลับมาบอกว่าตอนจะตายนั้นมีความเจ็บปวดทรมานอย่างไรและถ้าหากจะพิสูจน์จากตัวเองก็ไม่มีทางเพราะยังไม่เคยตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีก แต่ความเจ็บปวดทรมานที่ได้รับในเวลาเจ็บป่วยและจากการสังเกตเห็นคนอื่นเลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าก่อนที่จะตายคงจะเจ็บปวดอย่างทรมานจนกระทั่งทนไม่ไหวจึงได้ตายไปคนส่วนมากกลัวตายก็เพราะกลัวเจ็บมากกว่าอย่างอื่นเราอาจจะเคยได้ยินคนส่วนมากพูดว่าถ้าจะตายอย่างสบายก็ไม่กลัวแต่ที่กลัวตายนั้นก็เพราะกลัวทรมาน เนื่องจากปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาที่คนส่วนมากไม่อาจที่จะทราบความจริงได้ด้วยตัวเองและก็ไม่อาจที่จะทราบได้จากปากคำของคนที่ป่วยหนักแล้วก็ตายไปเพราะฉะนั้นจึงได้เกิดความสงสัยว่าในขณะที่ตายจริงๆนั้นมีความเจ็บปวดทรมานจริงหรือไม่หรือว่าไม่เจ็บเลยข้าพเจ้าคิดว่าคนที่จะตอบปัญหาข้อนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนที่ตายไปแล้วเพราะท่านเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเอง และเข้าใจว่าคงจะจําความรู้สึกในขณะที่กำลังจะตายได้เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ให้คุณสีเพนเข้าสมาธิไปถามอุปปาติกะองค์ที่เคยตอบปัญหามาแล้วในฉบับก่อนขอให้ท่านตอบปัญหาข้อนี้อีกซึ่งท่านก็ได้กรุณาตอบให้ทราบดังต่อไปนี้สำหรับตัวท่านเองก่อนที่จะตายจากโลกมนุษย์นั้น ท่านได้ป่วยกระสอบกระแสะร่างกายอ่อนเพลียลงไปทุกวันวันหนึ่งเมื่อท่านนอนหลับก็ปรากฏว่าเมื่อตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็มามีชีวิตอยู่ในโลกทิพย์แล้วตัวท่านเองไม่รู้สึกว่าได้รับความทรมานแต่อย่างใดเพราะเป็นการตายในขณะนอนหลับและเมื่อตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์ท่านก็รู้สึกสบายใจและสดชื่นดีไม่มีความเจ็บป่วยเหมือนเมื่อตอนอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งนี้ ก็เพราะท่านได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพแห่งความตายและโลกหน้ามาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าสำหรับรายอื่นที่ท่านได้รู้เห็นมาก็พอจะวางเป็นกฎได้ดังต่อไปนี้ถ้าหากว่าคนไหนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโลกหน้าไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสภาพแห่งความตายและมีความยึดมั่นอย่างผิดๆว่า คนเราเมื่อตายแล้วก็สูญเลยซึ่งคนประเภทนี้โดยนิสัยสันดานจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในตัวเองและมีความกลัวตายไม่อยากจะตายเพราะตัวเองไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่สำหรับการข้างหน้าเขาจะเชื่ออะไรก็เฉพาะภายในขอบเขตเท่าที่ตาของเขามองเห็นหรือประสาทของเขาจะพึงรับได้เท่านั้นสำหรับบุคคลประเภทนี้ไม่ว่าจะตายด้วยวิธีไหนคือจะเป็นการตายอย่างชนิดที่ไม่รู้สึกตัว คือนอนหลับแล้วก็ตายไปหรือว่าสลบแล้วก็ตายไปหรือเกิดอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าแล้วตายทันทีหรือจะตายด้วยโยครคภัยแค่เจ็บอย่างธรรมดาก็ตามเมื่อตายไปแล้วรายไหนก็รายนั้นกล่าวคือพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในโลกทิพย์ก็จะต้องเข้าใจว่าตนเองยังไม่ตายเพราะเหตุที่เข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายเพราะฉะนั้นความยึดมั่นที่เคยมีต่อกายเนื้ออย่างไรก็ยังจะฝังอยู่ในใจอย่างนั้น แล้วครั้นแล้วจากอุปาทานอันนี้มันก็จะสร้างความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างเดียวกับเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนและเขาก็จะได้รับความทรมานอย่างนั้นตลอดไปนานแสนนานถ้าหากเขายังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดอันนี้ท่านให้เหตุผลว่าคนเราเมื่อก่อนที่จะสิ้นใจถึงแม้จะไม่รู้สึกตัวก็ตาม แต่ความเจ็บปวดทรมานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์และในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นขณะนั้นความเข้าใจต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตลอดถึงความยึดถืออะไรต่างๆในขณะนั้นเมื่อมีอยู่อย่างไรมันก็จะสร้างวิบากลงในสันดานอย่างนั้นบรรดาความรู้สึกต่างๆที่ฝังอยู่ในสันดานนั้นแม้ว่ามันจะไม่แสดงออกมาในเวลาตื่นแต่มันก็มาจะให้ผลเห็นได้อย่างหนึ่ง คือการฝันแต่การฝันนั้นแม้จะร้ายสักเพียงไรก็ตามไม่นานเท่าไรก็ตื่นเราได้รับการทรมานก็ในชั่วระยะเวลาที่เรานอนหลับและยังฝันอยู่เท่านั้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วว่าตะกี้ฝันไปความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่มันก็จะเลือนหายไปในไม่ช้าแต่การฝันร้ายซึ่งเกิดจากวิบากหรือเกิดจากความรู้สึกประทับใจต่างๆที่มีอยู่ในสันดานนั้น สำหรับในโลกทิพย์แล้วมันเป็นการทรมานอย่างแสนสาหัสและกินเวลานานเพราะว่าตราบใดที่เขายังเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดอันนั้นไม่ได้เช่นบางคนทั้งที่ตายมาแล้วหลายปีบางคนหลายสิบปีบางคนนะับเป็นร้อยร้อยปีก็มีทั้งที่ตายมาแล้วเป็นเวลานานแต่เขาก็ยังเข้าใจว่าเขายังเป็นคนอยู่และจงคิดดูว่าสำหรับในโลกของโอปปาติกะนั้น วิบากมันจะให้ผลในฉับพลันหรือพูดอีกในหนึ่งความคิดคือการกระทำและมันจะมีผลออกมาตามความคิดอันนั้นทันทีส่วนในโลกมนุษย์เท่าเราเพียงแต่คิดอยู่ในใจยังไม่พูดหรือยังไม่ทำออกมาผลจะยังไม่ปรากฏแต่ในโลกของโอปปปาติกะถ้ามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร ผลมันจะออกมาตรงตามความรู้สึกนึกคิดอันนั้นทันทีเพราะฉะนั้นในเมื่อตนยังเข้าใจว่ายังไม่ตายเพราะคิดเสี้ยว่าถ้าตายแล้วก็ไม่มีตัวตนจะต้องไม่มีชีวิตและจะมีความนึกคิดอย่างนี้ไม่ได้ก็ในเมื่อตัวเองยังมีความรู้สึกอยู่และมีรูปร่างและก็เหมือนกับของเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาเข้าใจผิดอย่างฝังหัวมาเสียแล้วว่าคนที่ตายแล้วจะต้องไม่มีอะไร แต่ในเมื่อตอนเองยังมีอะไรทุกอย่างฉะนั้นจึงเป็นการเหลือวิสัยหรือยากมากที่จะอธิบายให้คนเหล่านี้เข้าใจว่าเขาเองได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วและเนื่องจากบุคคลประเภทนี้เมื่อตายแล้วก็หนีจากโลกมนุษย์ไม่พ้นและยังคงเห็นสภาพต่างๆในโลกมนุษย์เหมือนกับในขณะที่ตนเองยังมีชีวิตอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากจริงๆที่จะให้เขาเข้าใจว่าเขาเป็นคนตายเขาได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วในเมื่อเขายังเข้าใจเช่นนี้ยังยึดมั่นอยู่เช่นนี้เพราะฉะนั้นความเจ็บปวดทรมานทุกอย่างในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีอยู่อย่างไรเมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วก็ยังต้องมีอยู่อย่างนั้นทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงวิบากของบาปกรรมต่างๆที่คนเหล่านั้นได้สร้างเอาไว้ ซึ่งวิบากเหล่านี้ยังจะสร้างสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมชนิดที่ทาให้เกิดความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความทรมานที่เกิดจากความเจ็บป่วยเช่นบางคนอาจจะมองเห็นภาพหรือสิ่งแวดล้อมที่น่าสะพึงกลัวและทรมานตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าทุกอย่างในโลกทิพย์เกิดจากใจ หรือมโนมยะรูปังหลักอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากผู้ที่เข้าใจหลักอันนี้ดีก็จะมองเห็นได้โดยง่ายว่าคนที่ตายแล้วแต่ยังเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายนั้นจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรความเจ็บปวดทรมานในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นใครจะได้รับอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับประเภทของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นรายๆไป แต่ถึงแม้จะได้รับการทรมานสักเพียงไรก็ตามแต่เนื่องจากคนเรายังมีเวลาหลับหรือบางทีก็สลบหมดความรู้สึกซึ่งในขณะนี้จะไม่ได้รับการทรมานเช่นคนที่ถูกวางยาหรือถูกฉีดยาให้สลบหรือฉีดยาทำให้เกิดอาการชาหรือทำให้นอนหลับในขณะนั้นคนเราก็ไม่ได้รับการทรมานจากการเจ็บป่วยและในทานองเดียวกันคนเราเมื่อจะตายพอถึงระยะสุดท้ายจริง คนเราจะไม่รู้สึกถึงการเจ็บปวดเลยขอให้สังเกตว่าบางคนก่อนจะตายหูก็ไม่ค่อยได้ยินตาก็ไม่ค่อยเห็นอะไรซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสาทเริ่มจะหมดประสิทธิภาพแล้วซึ่งความเป็นจริงในขณะที่คนเราจะเส้นใจนั้นประสาททุกๆส่วนจะหมดประสิทธิภาพคล้ายกับถูกวางยาสลบหรือทำให้นอนหลับสนิทเพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอให้ทุกคนหมดความเป็นห่วงได้ แต่ในขณะที่ประสาทตหมดประสิท ธ, ธ, ธ, ธิภาพวิญญาณไม่รับรู้ถึงสิ่งภายนอกและไม่ได้รับความทุกขเวทนาทางกายนั้นในตอนนี้บางคนก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะเตรียมตัวเพื่อการไปสู่โลกหน้าเช่นบางคนสลบอยู่ตั้งหลายวันซึ่งในที่สุดก็ตายไปโดยที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยแต่ถึงแม้ว่าบางคนจะตายอย่างกระทันหันเป็นต้นว่าถูกยิงตายทันทีอย่างนี้เป็นต้น แม้กระนั้นก่อนที่จะสิ้นใจหรือก่อนที่วิญญาณจะดับออกจากร่างกายก็ยังมีเวลาพอที่วิญญาณจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะสิ้นใจไปจริงจริงซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวเป็นความรู้สึกของพระวังขจิตโดยเฉพาะแต่ถึงกระนั้นก็อยากเข้าใจว่าจะไม่มีการรู้สึกตัวจริงๆ ที่พูดว่าไม่รู้สึกตัวนั้นหมายถึงไม่มีความรู้สึกทางร่างกายแต่ในส่วนจิตใจโดยเฉพาะนั้นมีการรู้สึกตัวเหมือนกับอยู่ในความฝันซึ่งในตอนนี้เป็นตอนที่บรรดาความเจ็บปวดทรมานต่างๆทางร่างกายไม่มีแล้วและตอนนี้เองเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของวิบากที่จะแสดงออกมาโดยเฉพาะกล่าวคือถ้าหากวิบากของกุศลเกิดขึ้นในตอนนี้เขาก็จะเห็นแต่นิมิตที่ดี เขาก็จะมีความสุขใจตายไปอย่างเป็นสุขแต่ถ้าวิบากของอกุศลแสดงออกมาเขาก็จะเห็นแต่นิมิตที่ไม่ดีและได้รับความทุกข์ทรมานทางใจตายไปอย่างทุกข์ทรมานอย่าลืมว่าความสุขและความทุกข์นิมิต ด, ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นในตอนนี้นี่แหละจะเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้ชีวิตที่เกิดใหม่ในโลกของโอปปาติกะเป็นไปในรูปไหน ขอให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุคติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าจิตผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้อันหนึ่งท่านบอกว่าในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะสิ้นใจนี้ ทุกคนบังคับเอาไม่ได้ว่าจะให้ความรู้สึกอันไหนมันเกิดขึ้นมามันเหมือนกับคนทั่วไปก็ไม่อาจจะบังคับได้ว่าเมื่อตัวเองหลับไปแล้วจะให้ฝันอย่างไรก็ได้คนทั่วไปทราบกันดีว่าเราไม่อาจจะรู้ล่วงหน้าว่าคืนนี้หลับแล้วจะฝันว่าอย่างไรแต่ถึงอย่างไรก็ตามมีหลักเกณฑ์พอที่จะยึดถือได้ว่าถ้าหากเราพยายามทำแต่ความดีอยู่เสมอสร้างแต่วิบากที่ดีก็เป็นอันหวังได้ว่า ในขณะที่เรานอนหลับหรือในขณะที่เราจะสิ้นใจนั้นต้องฝันดีแน่แต่ถ้าสร้างบาปกรรมเอาไว้มากก็จะได้รับผลตรงกันข้ามกฎของกรรมจะให้ผลอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงตรงที่สุดก็ตรงนี้แหละและด้วยความจริงอันนี้เองที่ทางคริสต์ศาสนากล่าวไว้ว่าเมื่อถึงวันสิ้นโลกพระผู้เป็นเจ้าก็จะพิาพากษาโทษมนุษย์ทุกคน และอย่างเที่ยงตรงที่สุดซึ่งคําว่าสิ้นโลกในที่นี้คนที่ไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงไปเข้าใจซื้อว่าหมายถึงโลกคือแผ่นดินได้ถูกน้ำท่วมโลกหรือถูกไฟเผาโลกอะไรทำนองนี้แล้วชีวิตทุกอย่างก็ได้สูญสิ้นไปจากโลกซึ่งทำให้เกิดปัญหาหรือทำให้เกิดข้อคัดค้านขึ้นมากมายเพราะคนที่ตายไปก่อนก็จะต้องรอจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายที่ตายจากโลกนี้ พระผู้เป็นเจ้าจึงจะพิพากษาซึ่งทําให้เกิดปัญหาว่าพระองค์ทําหน้าที่นี้ได้ทั่วถึงเหรอือเพราะแต่ละคนก็จะต้องผ่านการพิพากษาทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้คนทั้งหมดในโลกซึ่งจํานวนมากมายเหลือเกินก็จะต้องรอเข้าคิวกันยาวเหยียดซึ่งทําให้นึกไปอีกแง่หนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่น่าจะปล่อยงานให้ค้างค้างถึงขนาดนั้น เธอเคยจำไหมหเธอเมื่อละฟันประจำทุกค้งคืนแต่ฝันดีก็สมหวังแต่ผิดหวังก็ทร ม, มานกับภาพมายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลกที่เธอเป็นมันคล้ายและต่างกันอย่างไรรู้สึกมันไอ่คล้ายมีเธออีกคนร่าง่ีง นองหลับไหลกับอีกร่างกายาในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องราวที่ในความฝันอาจเรียงร้อยกันจนดูสับซอนแต่ความจริงมันคือล้ลถ้าจากใจเธอที่เธอจริง แค่เพียงภาพลวงตายัางมีทุกสุขใจสุขกายเหมือนกัน